อ่า 4 3 2 1 เฉลิมพลท่านผู้ฟังในวัน เรารู้ธรรมะคือเราเข้าใจธรรมะว่าเป็นอธรรม 2 ชีวิต คือชีวิตหนึ่งเป็นชีวิตทางโลกโหกินเหล้าเกกเมาเหลกเฮฮาไอ้ชีวิตหนึ่งเป็นอีกชีวิตทาง นั่นคือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วช้าลามกจริงๆพระเจ้าตรัสเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วอย่างไอ้เรื่อง นั่นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมะที่ควรละนั้นคือธรรมะมีอยู่ทั้งหมดเอ่อ 4 ส่วนด้วยกันนั้นคือธรรมะส่วนที่ควรละก็มีธรรมะส่วนที่ควรทําความเข้าใจก็มีแต่เมื่อได้ไอ้คําว่าโลกอย่างที่ชาวบ้านเขาเข้าใจกันจริงๆมันคือธรรมะที่ 5 เนี่ยเป็นคือ ในโลกที่เราอยู่ปัจจุบันด้านฟังไงนะชั่วก็มีดีก็ดีทําดีทําขยันขันชั่วช้าลามกกุหนิงก็ก็มีอยู่นั่นมันคือมันคือ ไอ้ตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจเนี่ยก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าๆไม่มี ชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยคือธรรมะนั่นเองในชีวิตเราทั้งหมดคือธรรมะนั่นเองธรรมะส่วนๆเราต้องทํา ก็มีคุณทําบ่อยๆทําซ้ําๆย้ําๆอ่าอันนี้พระเจ้าก็พูดถึงอริยมรรคมีองค์ 8 อย่างนี้เป็นๆก็ว่างั้นเถอะว่าธรรมะๆ เย็นเรามองไปเห็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่รู้มันเกิดอะไรอ๋ออันนี้เป็นธรรมะที่ควรทําความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมะ นะเป็นคนทันหรือเปล่าหรือเป็นเทวดาหรือโอ้เอ่ออาสวะที่จะนําเราไปเกิดเป็นคนทัน เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทํายังไงกับมนัสสะบานี่เป็นธรรมที่ ล้างการเช็ดการผ่าออกมีองค์ 8 นั่นเองนี่พอพูดพูดไปแล้วท่าน oh, 8 แม่งมันจะๆนะเราทําได้ในชีวิตประจําวันถ้าเรามีความๆเรา อภิเษมเมตตาก่อนเลยนะแผ่เมตตาไปยังสัตว์สัตว์โลกทั้งหลายๆทางตลอดโลกทั้งโวงที่การปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติที่เมืองไทยเราใช้ ให้ธรรมะเนี่ยนะเป็นวิถีชีวิตในชีวิตของเรา ทาง 2 แป้งก็พูดถึงเจ้ามิจฉานิทธิกับสัมมาทิฏฐิอ่ะอ๋อธรรมะที่ควรละก็มีนะอ่ะเราอย่าไป นะๆมันมีธรรมะที่ควรอะไรๆเราทําความเข้าใจซะๆนะคือตัวเรารักษาศีลสมาธิเนี่ยหรอก็ รอบอยู่คนเดียวราลิแผลต่างเหล่านี้เรามีสติในลมหาย นะเพราะเรารู้ทําไมอย่างงี้แล้วมันทุกส่วนของชีวิตเราจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้ว โอ้ยเค้าเจรไนเป็น 52 เหลี่ยมหรือ 70 กว่าเหรียญอย่าง 70 80 เหรียญอย่างงี้เป็นต้นนั่นก็เพราะว่าเขา นะมันก็มันเงาชัดอยู่แค่ด้านเดียวมันก็ไม่เจิดจรัสไปทั้งตัวทุกด้านนั้นจึงต้องนําเอ่อการขัดไปใช้งานทุกอย่างนะการขัดกันตัว เนี่ยจะมาช่วยเสริมไอ้ส่วนที่เอ่อเราใช้ๆหน่อย แต่เป็นป่าเรารู้ไปอย่างงี้อ่าไอ้การฝึกเนี่ยมันไม่ได้ยากด้วยนะการฝึกที่ทําให้ 8 ชั่วโมงน่ะ 3 กะเลยอยู่ 24 ชั่วโมงก็ เขาจะมาคอยดูคอยรักษาคอยแรงตังคุณเนี่ยแล้วต่อให้เค้าตามคุณเข้าไปห้องน้ําเอ้าเค้าก็ไม่ตามคุณไปของเราเนี่ยเข เรารู้อยู่อย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่มีสติได้รู้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเป็นผู้มันไหลไปตามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเท่านั้น นะไม่เป็นธาตุกับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนั่นเองนะคือตอนนี้เราเหมือนกับเป็นธาตุถูกผัสสะเนี่ย นะ, นะ, 10 20 เมตรน่ะนะบางทีนะแต่ในขนาดเดียว ในทุกครั้งไม่ให้ออกไปจากตาหูจมูกกายใจได้และทุกครั้งอยู่อย่างนี้เราจึงต้องหาทางที่จะออกหาทางที่ที่จะทําให้ที่ของเรา พระไพร่หน้ายุ่งคุยธรรมะวันนี้ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับ